ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสรนสนีสมทนาที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รซึ่งมีประมาหาภัยบุญอภิปุโนนะคะจะมาให้ธรรมะกับพวกเราโดยมีดิชั่นสรนรสนรรรีนาคพงเป็นผู้ที่ถามคำถามแทนท่านทั้งหลายนะคะกราบน้ำส ก, การค่ะท่านภับุญค่ะจบ้านค่ะถ้าพูดถึงจัดรายการวิทยุธรรมะช่วงนี้ หากไม่ถามเรื่องนี้คนจริงถามวันนี้ก็ช้าไปแล้วเพียงแต่ว่าดิฉันเนี่ยจัดรายการกับท่านก็สัปดาห์หนึ่งล่วงมาวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะคะนั่นก็คือเรื่องของภิกษุณีค่ะเจยวันเป็นข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยมาจนกระทั่งวันนี้ก็ยังมีประเด็นนี้อยู่เลยนะคะ อ, อว่าทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยโฆษกเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่มีการบวชภิกษุณีในประเทศไทยเนี่ย ไม่ถูกต้องเพราะเห็นว่าภิกษุณีในสายเถรวาดเนี่ยขาดสายมายาวนานก็เลยไม่มีตัวภิกษุณีที่จะมาเป็นอุปชาได้อย่างถูกต้องตามพระวินยัยการจะไปบวชให้ก็เป็นการขัดธรรมวินยัยทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทางโลกอะคะท่านคะในรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าชายหญิงมีสิทธทิเท่าเทียมกันในขณะเดียวกันเมื่อศึกษาในคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบว่านอกจาก เขาเรียกว่าอะไรคะเป็น so สาวกของพระพุทธเจ้าอะคะที่เ <facial> ป็นอ <icate> ุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีเอ่อพุทธบริษัทอ๋อพุทธบริษัทใช่บริษัทของพระมุนีวีพระภาค่ะนันก็อยากจะกลับเรียนถามท่านถึงเรื่องบัญญัติของพระพุทธองค์ในเรื่องภิกษุณีแต่ครั้งพุทธการมาเนี่ยเป็นอย่างไรละคะรูปแบบขั้นตอนก็คือว่าพอหลังจากมีภิกษุพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนาไปได้สักพันมัน ปีที่สมั้งพันมาไม่แน่ใจประมาณนี้2 2> แหละปีที่ 3, 2อหรือปีที่สเอ่อก็แม่น้าของพระพุทธเจ้าแม่น้าก็คื อ, อหมายถึงว่าน้องสาวของแม่พระพุทธเจ้าอ่ะนะค่ะคือหลังจากพระพุทธเจ้าประสูติเอ่อเป็นโพธิสัตว์ประสูติตรรตได้เจวันนะ่ะมารดาของโพธิสัตว์ก็สอนนคตใช่ไหมพอตายแล้วใครเลี้ยงมาช่วงนั้นก็น้องสาวของแม่ก็คือแม่น้านั่นเองจะเป็นคนเลี้ยงมาเอ่อก็อยากจะขอบวช ก็โดยพยายามที่จะขอบวชอยู่หลายครั้งหลายคราวพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้จนกระทั่งท่านพระอานนุนมาทูลขอให้แล้วก็เลยได้รับอนุญาตตรงนี้คือเล่าอย่างสั้นๆย่อๆค่ะทีนี้หลังจากหลายครั้งหลายคราวไม่ได้จนกระทั่งครั้งที่ได้เนี่ยก็ได้มอบเรื่องของคุรุธรรมแปดประการไว้ให้อันนี้เราคงจะทราบกันอยู่นะว่าคุรุธรรมแประการก็คือทําอันหนักหมายถึงข้อปฏิบัติที่ภิกษุนีเนี่ยต้องปฏิบัติตาม ถึงจะให้อุปสมบทไดนะ้ซึ่งใน8ประการนี้ก็ต้องทำละ่ะสำหรับภิกษณุณีที่จะต้องการบวชแล้วก็มีข้อหนึ่งที่ที่จะต้องทราบก็คือว่าต้องบวชในสงสองฝ่ายนะสงเนี่ยหมายถึงหมู่หนะมายถึงหมู่ของเอราหมู่ของภิกษุอันหนึ่งนะก็เรียกว่าภิกษุสงหมู่ของภิกษุณีอันหนึ่งก็เรียกว่าภิกษุณีสงแตนะ่จริงๆตอนแรกเนี่ยบวชแค่สงฝ่ายเดียวคือฝ่ายภิกษุด้วยซ้ำแตนะ่ทีนี้มันจะต้องมีคําถามเกี่ยวกับ เรื่องอะไรที่เป็นส่วนตัวเขาก็เลยให้มีผู้หญิงในการที่จะมาถามคาถามตรงนี้ก่อนล่วงหน้าขั้นตอนหนึ่งแล้วก็มาบวชกับฝ่ายภิกษุสงฆ์ที่เป็นนักบวชผู้ชายแล้วในข้อที่2ในเรื่องของขุดรู้ธรรมแปประการนั่นะก็คือว่าหลังจากบวชแล้วก็ต้องอยู่จําพรรษาในวัดที่มีภิกษุอยูนะ่นี่คือข้อที่สองอข้อที่สาม ในช่วงที่อยู่นั้นก็ต้องไปฟังโอวาทจากภิกษุทุก15วัน <Okay. S 1> แตทุก15วันจะต้องไปลงอุโบสถร่วมกันแล้วก็ฟังโอวาททุกๆ15สิบห้าวันพระก็จะมีการลงปฏิโมกทบทูลศีลของตัวเองทุกทุกวันใช่ม <Okay. S 1> ตอนนั้นภิกษุนี้ก็ต้องไปร่วมด้วยแล้วก็ฟังโอวาท ด, ด้วยแ ล, แล้วก็ในพรรษาหลังจากครบ3เดือนก็ต้องมีการปรนารถนาให้กล่าวโทษกันได้ในทั้ง2ฝ่ายภ <Okay. S 1> ิกษุก็ทำเฉพาะส่วนภิกษุ เิภิกษุณีก็ต้องทำเพราะภิกษุณีด้วยเราก็ทําในฝ่ายภิกษุด้วยทำสองรอบค่ะเราก็เรื่องของการปฏิบัติตัวข้อที่5ก็คือว่าภิกษุณีเนี่ยต่อให้บวชมาเป็นร0อปีก็ตามก็ต้องกราบไหว้ภิกษุภนะิกษุที่เพิ่งบวชในวันนั้นนี่คือข้อที่5แล้วข้อที่6นี่ก็ห้ามด่าบริภาษภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆนะ <Yes. S 1> แล้วก็ที่7นี่ก็คือภิกษุณีเนี่ยกล่าวตักเตือนภิกษุไม่ได้สอนไม่ได้ จะไปสอนภิกษุไม่ได้กล่าวแต่ว่าภิกษุเนี่ยกล่าวตักเตือนภิกษุนี้ได้แล้วข้อที่8ก่อนจะบวชได้เนี่ยก็ต้องเป็นสิขามานาก่อนมา2ปีก็คือสามนเณรผู้หญิงสามนเณรผู้หญิงมาสองปีจึงถึงจะเริ่มอุปสมบทได้ซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าเอาทำไมพระุทธเจ้าถึงให้แต่ภิกษุสั่งสอนนะคือบางทีเราอาจจะพูดถึงว่ า, อาไอความเป็นธรรมในเรื่องของการปฏิบัติตัวมันก็จะไม่เท่ากันนะ เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีข้อจํากัดแต่ละอย่างไม่ไมเท่ากันเพราะนั้นการที่ใช้ปฏิบัติตัวเหมือนกันก็คงจะต้องแตกต่างกันบ้างตรงนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าพระพุธองค์เองไม่ประสงค์จะให้มีภิกษุณีถ้าโดยหลักถูกไหมคะแต่ทนการอ้อนวอนขอไม่ไหวอคําว่าไม่ประสงค์ให้มีภิกษุณีเนี่ยถ้าเราจะตีความจากเขาเรียกว่าไง อ, อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก่อนนะ อริยสัจของพระเจ้าอริยสัจของพรเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางมากคุณหยงติ๋วพระเจ้าเนี่ยมีเมตตาดุดห่วงมหานนบนะมีเมตตาดุดหว่วงมั่นนบแล้วก็เป็นคนที่จิตใจหนักแน่นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางๆๆอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเราจะบอกว่า พ, พระเจ้าไม่ต้องการให้มีนักบวชผู้หญิงเนี่ยอันนี้คงคงไม่ใช่เหตุผลในนี้ความหมายมันออกมานะเพราะว่าดูจากอุปนิสัยของพระองค์มีจิตใจกว้างขวางมากอยู่แล้วนะแต่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้ามีนักบวชผู้หญิงแล้วเนี่ยศาสนาจะอยู่ไม่ได้ นี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาให้คําสอนอยู่ได้นานเพื่ออะไรเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนได้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นต่อไปกับชนรุ่นหลังได้มากขึ้นมันยาวกว่าและการบรรลุ น, นิพพานเนี่ยคุณจะไปถึงแก่ความเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยแมมมันได้ทุกคนอยู่แล้วมันไม่ใช่เฉพาะนักบวชเขาจะไหมค่ ะ, ะเดี๋ยวประทานโทษนะคะค่ะมีรายละเอียดในการที่อธิบายไหมคะว่าเพราะเหตุใดเมื่อมี ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีแล้วจะทําให้าศาสนาอายุสั้นลงค่ะตอนนี้เป็นเป็นพุทธพจน์เลยที่ได้พูดไว้กับท่านพระ อ, อ น, นุนค่ะนะว่าในชมปุทวีปเนี่ยถ้าสมมุติว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าจะอยู่ได้พันปีเนี่ยถ้ามีภิกษุณีก็จะอยู่ได้แค่ห้าร้ปีอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วครึ่งครึ่งอย่างนี้เหรอคะใช่ครึ่งคร่งเลยนะเราก็เห็นอยู่เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยหายไปจากชมปุทวีปนะคุณโยมติ๋วแค่500ปี ตามที่ตามที่บอกไวป้ปเลยแนะล้วหายไปไหนก็ไปอยู่รังกาบ้างไปอยู่โซนปูมบ้างแต่หายไปจากชมพูทวีปเนี่ยแค่500รอปีค่ะทีนี้ที่ดิฉันกลาบเรียนถามท่านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอธิบายแบบนี้เหมือนกับอธิบายกรอบกว้างมากเหมือนกับท่านท่านสรุปละว่าถ้ามีจะเกิดอายุของพระศาะสนาสั้นลงคําสอนของท่านจะอายุสั้นลงอันนี้เป็นพุทธโพ์ใช่แต่ เพราะเหตุใดจึงสั้นลงค่ะให้ความเห็นให้อุปมาประมาไว้แต่ที่เป็นพุทธพจน์เหมือนกันเนื้อเบลที่เรียบเหมือนกับว่าในเรือนของเราเนี่ยในในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนของเราเนี่ยถ้ามีผู้หญิงมากผู้ชายน้อยนี่ยมันก็จะมันก็จะเสื่อมไปได้เร็วแต่ถ้ามีผู้ชายมากผู้หญิงน้อยอันนี้จะสามารถปกป้องอยู่ได้นานกว่าเน้อก็คือเหมือนกองทัพกองกําลังนี่แหละทําไมเขาไม่มีแตหันประจําการที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อา่ามันมันก็ทำหน้าที่กันนะนะผู้ชายก็ต้องมากกว่าในเรื่องของตรงนั้นค่ะอ่าก็ลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นอุปมาอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเพื่อให้จะให้ทําความเข้าใจได้นะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราในฐานะเป็นชาวพุทธเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสอะไรเนี่ยเป็นที่ตามนั้นล่ะแม่นยําถูกต้องนะคะต้องถือตามนั้น แล้วก็ถ้าจะคิดตามดิฉันคิดว่ามีคนคิดตามแบบที่ดิฉันกําลังคิดอยู่นี่แหละคะ่ะแต่ดิฉันก็จะถือว่าเมื่อเป็นพุทธพจน์แล้วก็ฟังแค่พุทธพจน์กันละกันนะคะมไม่พูดมากไปกว่าที่ท่านตรัส ท, ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆสําหรับพิชชณีนะค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องคุรุธรรมแปประการเนี่ยถ้าถ้าเราลองอ่านคุรุธรรมแปประการแล้วลองค ร, คร่ครวญดีๆพิจารณาโอ้โหมันทนาได้ยากมากเลยต้องเป็นคนที่มีความอดทนต่อสู้จิตใจหนักแน่น เนีมีความเข้มแข็งไม่ย่อต่อต่อความยากลําบากเนี่ยโอ้โหเป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมมากสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมาบวชได้เป็นภิกษุณีเออแล้วก็กด8ข้อเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยมันคนที่จะทําได้แล้วจะมาสืบต่อได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาต้องมีน้อยมากหมายความว่าความเป็นภิกษุณีเนี่ยจะไ ม, ไม่ได้อยู่ได้นานเนี่ยที่พระเจ้าดีไซน์เอาไว้ตรงนี้ก็คือมีให้พอจะให้แม่น้าแฮปปี้ พูดง่ายๆนะ ค, คือคือดิฉันก็เลยใค้ครวญตามที่ท่านพูดนะคะว่าอย่างในข้อแรกเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยเพราะว่านี้เป็นบัญญัติว่าอุปชาต้องเป็นทั้งภิกษุณีอุปชาและภิกษุอุปชาใช่ไหมคะใช่ส่วนข้อที่สองบอกว่าให้จำพรรษาวัดที่มีภิกษุอยู่ เ, เพราะเหตุใจอันนี้ก็น่าคิดทำไมจะอยู่ลาพังไม่ได้นะคะอืมอ่อ ข้อที่สามก็บอกว่าฟังโอวาทภิกษุทุกสิบห้าวันลงบาสวดร่วมกันอันนี้ดิฉันพอเขา้าใจได้เพราะเป็นการทบทวนศีลใช่ไหมคะใช่ทบทวนศีลคือทบทวนพระวินยัยนไหมคะตัวต้งตังตงตงค่ะที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้เช่นกันจะได้ไม่เกิดความย่อยหย่อนบางทีกฎกติกาเนี่ยไม่ได้ยินบ่อยๆก็เพลินหลุดไปได้เหมือนกันใช่ใชในพรรษาจะต้องให ปราณากล่าวโทษกันได้ใช้คํานี้ป่ะคะถูกต้องปารณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือนอกจากโดนภิกษุณีตักเตือนกันเองแล้วต้องให้ภิกษุด้วยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องอต้องกราบไหว้แม้ภิกษุผู้บวชใหม่เหตุผลเพราะรักษาศีน้อยกว่าหรือไงคะจริงๆแล้วภิกษุณีมีศีนมากกว่าพระภิกษุด้วยซ้ำอ๋อเหรอคะใช่คืออันนี้เป็นเรื่องของการทําความเคารพกันะ่ะเป็นเป็นเรื่องของระบบสมมตินในโลก แสดงว่าสําหรับพระพุทธองค์ก็หมายความว่าภิกษุณีเนี่ยสถานะยังต่ํากว่าภิกษุใชจึช่แม้จะบวชนานยังต้องไหว้ผู้บวชใหมถ่ถูกต้องถูกต้องค่ะห้ามด่าภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้สงสัยท่านคิดว่าผู้หญิงปากไวว่าคะ <laughs> ขอประพุทธโทษนไหมคะคือคือหมายความว่าภิกษุเองก็ไม่ควรด่าบริพาาแต่ว่าไม่ได้กําหนดเป็น เป็นศีลเอาไว้น ะ, ะสมมุติภิกษุดาภิกษุเนี่ยโหนี่แย่อยู่แล้วนะแล้วมันก็จะมีผลเรื่องของกรรมนะจะทําให้เสื่อมจากคุณวุฒิเศษที่ได้แล้วอะไรก็ว่าไปนเนี่ยเรื่องของธรรมะแต่ว่าในเรื่องของศีลเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้โน้ค่ะห้า ม, มดาภิกษุข้อที่หกบอกข้อที่เจ็ดบอกว่าเตือนสอนภิกษุก็ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยค่ะที่ฉันว่าเป็นนิสัยผู้หญิงเนี่ย <laughs> คือสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะ <laughs> ก็อดไม่ได้ ที <laughs> นี้พออยู่ครุกคลีกันไปนานๆอาจจะมองเห็นว่าพระภิกษุอยู่ในฐานะที่อาวุโสน้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่อาจพลาดพลั้งได้แต่จริงๆแล้วห้ามทําเด็ดขาดแม่แด่์ไม่จะผิดของผิดข้อกุรุธรรมเขาเอ้ท่านคะดิ๋ฉันเหมือนกเคยได้ยินว่ามีนางอะไรสักนางหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยสามารถที่จะตักเตือนภิกษุได้ไม่ใช่หรอคะนางวิสาขานางอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอันนั้นเขาก็เป็นคารวาสไงก็ไม่ได้เป็นภิกษุณีอ้าวหรอคะ ถ้าคารวาธทำได้คือคาราธเนี่ยเขาทำเนี่ยนะคือหมายความว่าก็ไม่มีสินคุมเพราะฉะนั้นเขาก็ทำตามที่ตามที่เขาอยากจะทำได้สิ่งยังมากก็แปดข้อห้าข้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ด่าพระเขาก็ว่าพระอย่างนี้เขาก็มีคือคือคารวาธไม่ได้อยู่ในวินัยไม่อยู่ในวินัยโอ่าคนที่ด่าพระมีเยอะแยะสมัยบุตรการเดี๋ยวนี้ก็เยอะค่ะท่านคะต่อไปข้อสุดท้ายที่เป็นคุรุธรรมใช่ไหมฮะคอสราุไม่ใช่คารุนะคะคุรุแปลว่าน่ะ ข อ, ขอไปคะรู้ธรรมขอไปอ๋อคะรู้คะรู้ธรรมใช่คะรู้แปลว่าหนักหนักใช่ค่ ะ, นนะคะรู้กับละหูเนี่ยนะคะละหูแปลว่าเบาใช่เาเรียนภาษาไทยเนี่ยจะต้องมีเสียงหนักเสียงเบาอืก่อนบวชต้องเป็นสิก ข, ขามานามาสองปีเป็นสามเณรมาสองปีถูกต้องทีนี้ก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์อย่างที่ท่านบอกว่าจะให้แม่นาแฮปปี้ น, น, นะคะอก็เหมือนกับว่าโดยพระพุทธประสงค์ ก็คือต้องการให้คําสอนของท่านนอยู่นานแน่นอนอันนี้เพื่อที่จะให้ก็เรียกว่าอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังนั่นเนองดังนั้นก็หมายความว่าอขอประท่านโทษนะครับเหมือนกับจะขาดศูนย์เหมือนบางทีเขาบอกศูนยนเนี่ยก็คือว่าเมื่ อ, อไม่ได้มีการสืบทอดอย่างถูกต้องเช่นอย่างกรณีศึกษาของประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าพระอุปชาที่มาจากต่างประเทศมาบวชให้ภิกษุณีในเมืองไทยเนี่ย รัฐบาลของประเทศศรีลังกาใช่ไหมคะรับาลใช่ก็บอกว่าไม่รับรองเพราะขาดศูนย์ไปแล้วอืทีนี้เห็นเขาบอกเขาไปบวชทางด้านมหายานค่ะอ๋อคืออย่างเทราวาดมหายานหรือว่าเขาเรียก ว, ว่ชัชรยานเนี่ยที่เขามีแบ่งเป็นสายใ ห, ใหญ่ในโลกของเราเนี่ยน ะ, ะ เ, เทราวาสก็มีประเทศไทยประเทศศรีลังกามหายานก็จะมีเมืองจีน เ, เกาหลีพวกนี้ ญี่ปุ่นพวกนี้ลักษณะมหายานส่วนวัชิรยานก็ทิเบตนะซึ่งตรงนี้มันแตกกันมานานแล้วคุณโยมดิว่าพูดกันง่ายๆมันแตกกันมาไม่รู้ตั้งแต่สมัยไหนแตกๆแล้วก็รวมๆแตกๆแล้วก็รวมๆจนกระทั่งเหลือ3มนิกายใหญ่ๆค่ะนะซึ่งตรงนี้คือแตกกันแล้วนะถาว่าแตกกันแล้วเนี่ยไม่รู้ใครทําแตกนะคนนั้นก็รับกําไปนะสมัยก่อนนู้นแต่ตอนนี้มันแตกกันแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ลงอุโบสถร่วมกันนะเขาไม่ลงอุโบส่วนร่วมกัน แล้วการที่ไม่ทําสังกรรมร่วมกันแตกกันแล้วแต่ว่าไม่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันค่ะคือนี่ไม่ได้นับถึงประเทศนะคื อ, ค อ, คอคมันก็อยู่ที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยหมู่เนี้ยสงนี้แปล ว, นะ ว, ว่าหมู่นะคุณยมติ่สงแปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนะสงสาวกใช่ไหม ส, สงสาวกก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคก็คือพระคัมภีรโตสาวกสังโฆคือสงสาวกผู้ฟัง คำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะที่ปฏิบัติดีนะต้องสุปฏิปันโนภะควาโตสาวะสังคโคเนี่ยนะี่ยสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีใช่ไหมภควาโตของพระผู้มพีพรภาคนะสีสาวะ ก, กะกนะ็คือผู้ฟังคําสอนสงก็คือหมู่ก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีภาคที่ปฏิบัติดีแล้วถามว่ า, าที่ฟังคําสอนเนี่ยหมู่เนี่ยเขาตกลงกันว่ายังไงเนยะอย่างหมู่ในประเทศไทยเราก็ตกลงตามที่ มหาเทรสมาคมเขาว่ากันใช่ไหมแล้วถามว่าขึ้นไปกว่านั้นล่ะขึ้นไปกว่านั้นในระดับระหว่างประเทศล่ะบางทีพระไทยกับพระพระม่า ก, กับปฏิบัติไม่เหมือนกันกลยิ้มไม่กลยิ้มเนี่ยพระศรีลังกากับโหมสีหนึ่งประเทศไทยกับโหมสีหนึ่งมันก็เลยมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่เหลื่อมล้ำนี่คือหมายความว่ า, วามันมันไม่เหมือนกัน่ะไม่ลงกัน<ม>เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาลงอุโบสถเนี่ยก็ต้องดูล่ะทีนี้เอพระมาจากลังกาจะมาลงอุโบสถที่วัดเรา เราจะให้ท่านได้ไมเรารู้จักท่านดีไหมอย่างเงี้ยมันก็คือจะบอกบ่งบอกถึงความสามัคคีกันหรือความแตกรากันค่ะคือฉันก็เห็นมติที่โคศกออกมาแถลงมีอยู่ตอนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ห้ามภิกษุณีให้อยู่ในประเทศไทยคือเหมือนกับว่าถ้าในประเทศใดมีกระบวนการบวชภิกษุณีที่ถูกต้องตามพระวินยัยบวชแล้วมาอยู่ในประเทศไทยได้ แต่สําหรับในประเทศไทยท่านบอกว่ามหาเทรสมาคมห้ามเพราะตามประวัติศาสตร์ถือว่าภิกษุณีเทราวาดหมดไปจากประเทศไทยแล้วอ<ม>การที่กล่าวอ้างว่าพระมหินทวังสัจเจ้าวาดวัดพีปะทุตามารามแห่งนิกายอมรปุระประเทศศรีลังกามาเป็นประธานบวชภิกษุณีในประเทศไทยเป็นการกระทําที่ขัดต่อประกาศดังกล่าว และก็ทราบว่าเร็วๆเนี้ยจะมีการบวชภิกษุณีอีกก็เลยมอบให้ทางสำนักพุทธติดตามและดำเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปอา่าเดีย๋ยวฉันคิดว่าผู้ที่มีความประสงค์อยากจะบวชภิกษุณีก็คงเดี๋ยวก่อนนะคือหมายก็บว่าคนที่จะบวชเนี้ยคนนี้จะบวชออกจากเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี้ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะผุนทุก์ คะนะรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์ที่พระเจ้บาบัญญัติไว้แล้ก็จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะพ้นทุกข์เพื่อที่จะทําความแก่ความตายให้มันจบสิ้นกันไปนะแล้วก็การที่อยู่ครองเรือนมีการวาดบางทีมั น, มนยากเดี๋ยวก็จับนั่นทําไมนี่คนนั้นโทรมาหุงหาทำอาหารโอ้ยฉันไปอยู่วัดดีกว่านะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเรืยเรือนนี่คือคําว่าบรญชานะบัญชาเนี่คือออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน เพราะฉะนั้นการออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องการที่ต้องมีรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์นะก็เพื่อที่จะเป็นโอกาสว่างจุดประสงค์คือตรงนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบที่ที่เราทำํำในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุนะภิกษุแล้วผู้หญิงละ่ละนะพระเจ้าก็มีภิกษุณีแล้วผู้หญิงที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นอกเหนือจากนี้มีไหมก็มีรูปแบบของผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวนะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ก็คืออุบาสิกานั่นเองพระพุทธเจ้าใช้คํานี้บอกว่าอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั่นก็ผู้ประพฤติพรหมจรรย์คำที่สองนีวามหมายถึงพวกภิกษุหรือภิกษุณีคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณรักษาศีลแปดนะคุณไปอยู่กับภิกษุหรือภิกษุณีก็ได้นีน่ก็คือรูปแบบการบรรพชารูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์อีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะท่านก็เลยจะบอกว่าสามารถที่จะ ปฏิบัติได้แม้กระทั่งไม่ต้องไม่ได้บวชซึ่งในเมืองไทยเขาก็มีอะไรเขาก็อนุเคราะห์กันนะก็คือว่าออบวชีเป็นแม่ชีโฮมขาวค่ะโกลผมอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ที่ได้กล่าวเรียนถามท่านไปบูรณาทั้งหมดก็คือในส่วนที่ครั้งพุทธการเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรนะคะแต่ว่า ในส่วนของมติมหาเทรสมาคมในประเทศไทยนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะได้รับรู้รับทรา บ, รบนไปตามข่าวที่เสนอสืบเนื่องกันเป็นเวลานับสัปดาห์นี้แล้วเจริญ บ, บานนะคะก็กราบนวัช ก, การขอบพระคุณท่านในส่วนนี้แต่ว่ารายการของเรายังไม่หมดเวลาไปเสีทีเดียวนะคะเอออาจามีประเด็นที่ต้องการเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งในที่เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดคำว่าภิกษุณีขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆ คงจำก็ได้ว่ามานเนี่ยมาทูลขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพานตั้งแต่ตอนที่อยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม่ใตอนนั้นยังไม่ไปพบบัรจรวิกีเลยด้วยซ้ำยังไม่มีภิกษุยังไม่มีอุบาสกยังไม่มีอุบาสิกาเลยด้วยซ้ํานะพอมานมาขอทูลขอให้ปรินิพานพรพุทธเจ้าบอกว่าสรุปย่อๆนะบอกว่าเราจะยังไม่ปรินิพานก่อนที่ภิกษุภิกษุอุบาสกอุบาสิกาจะมีพร้อมหมุนนะพูดอย่างนี้พูดไว้อย่างนี้เลยนะพูดกับมานเอาไว้เลย คนเขาก็จะเข้าใจมองไปในมุนมว่าอ๋อพระรูชาต้องทราบแน่นอนว่าต้องมีพิกษุนี้แล้วก็ต้องมีบริษัท C ครบถ้วนเลยถึงพูดไว้อย่างนั้นเราจมามองมุมนี้คุณยมเตียวบอกว่าพระรูชาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดมาเนี่ยเพื่อไม่ให้มานได้ช่องมานจะห้ามมาไม่ได้ช่องจากพระรูชาอีกเด็ดขาดเพราะงั้นการพูดออกไปอย่างนั้นเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าจะสอนหรือเปล่านะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะสอนหรือเปล่าแต่เธออย่ามากวานฉันอีกมาน กันใไหเพราะว่าถ้าสมมติมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปุ๊บมานจะมาทวงคํานี้จากพระพุทธเจ้าได้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นณนะตอนที่<ม>อยู่ที่เมืองไบาสาลีแต่ถ้าสมมุติตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่สอนอัญญาโกตัญญาไม่สอนใครเลยมานจะมากวนนี่ไม่ได้อ่าสอนภิกษุก็หล่นไปขาหนึ่งใช่ไหมอ่ามีภมีอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะพร้อมบริบูรณ์ด้วยนะ้ํามั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองนะคือถ้าไม่มั่งคัง่งไม่เจริญรุ่งเรืองมานก็กลับมาไม่ได้ ถ้ามั่งคั่งเจริญนุ่งเรืองแต่ไม่มีภิกษุณีมันก็จะกลับมาไม่ได้นี่มันพร้อมหมดเลยไงมีภิกษุด้วยภิกษุณีด้วยบาสุบาสิกาด้วยแล้วก็มั่งคั่งเจริญนุ่งเรืองคําว่ามั่งคั่งเจริญนุ่งเรืองเนี่ยหมายความว่าสอนว่าอย่างละเอียดแต่บางทีสอนอยู่แต่ไม่ละเอียดแต่ถ้าสอนอยู่ไม่ละเอียดมันก็มาทวงคําขอไม่ได้แต่นี่มันเลยโดนคลิกหมดทั้งหมด5้าค อ, คอนดิชันเลยนะคุณยมเิียนนึกออกไหมสี่คอนดิชันแรกก็คือภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาใช่ไหมคอน ต้องบางคั่งรุ่งเรืองด้วยมารก็เลยได้โอกาสตอนปีที่แปดสิบนั่นคือที่เมืองไวซาลีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะค่ะก็ก็ถ้าฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็จะทรงขอให้ทำงานให้ลุล่วงก่อนจากนั้นจะมาทูลขออีกก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นมคะอ่าคือคือทำไมพระพุท้าจะต้องให้โอกาสมารล่ะเข้าใจไหมเกิดนี้คือเพื่อที่จะปิดโอกาสมาร โดยธรรมโดยธรรมนะคือถ้ามาไปไปไปอย่าไม่ยุ่งกับฉันมันก็ไม่เป็นโดยโดยธรรมแต่ก็ให้คอนดิชันเนี้ยวไว้ถ้าทํางานเสร็จตอนนี้ก็ก็ไปได้ค่ะคือปิดช่องในระหว่างที่ยังไม่ไม่ได้ประกาศาศาสนาให้ให้รุ่งเรือ ง, องถูกต้องถูกต้องนะคะแต่นนพอหมดภารกิจของท่านแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนที่จะสืบทอดกันต่อไปสบายสบายค่ะท่ะานก็เลยหมานก็มาได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะได้ศึกษาในขัวิธีการของพระพุทธองค์ว่าทรงแยบยนต์แยบขายมามาม<ห>าฮะแล้วก็ววไม่น่าเชื่อว่าเรื่องภิกษุณีก็มาเกี่ยวข้องใช<า>่คือถ้าถ้าถ้าสมมติไม่ได้มีภิกษุณีสมมุตินะค่ะท่านพระนาชนไม่ได้โอกาสตรงนี้เนี่ยมันจะกลับมาที่เมืองไวยสารีไม่ได้พระพุทธเจ้าอาจจะอยู่ไปอีกก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเรื่องอื่นขึ้ น, นมาแล้วก็ไม่ทราบแต่แต่มันก็วิเคราะห์กันไปในประเด็นนี้ได้เหมือนกันค่ะ ก็แล้วทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพิกสุนีที่ถือโอกาสว่าวันนี้เขากล่าวขานกันเรื่องนี้เยอะเราก็มาทําความรู้ตามคำสอนของพระาศาสดาจะไปหาอ่านได้ที่ไหนอันเนี่ยพูดถึงรายละเอียดเรื่องการบวชใช่ไหมค่ะเราก็อยู่วิกิพีเดียนี่ต่างๆสื่อทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะแย ะ, ยะมากมายแล้วค่ะแต่ที่ฉันหมายถึงพุทธพจน์นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าตรงนั้นสําคัญที่สุด หาได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ชช่ชมีตราดไว้เยอะบันทึกไว้เยอะเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องถูกต้องในในซอฟต์แวร์ที่เราเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยมีทุกอย่างละอ e ีที่พิจกาก็มีในหมวดวินยัยปิฎกตัวนี้นจะมีข้อมูลอยู่ค่ะนะคะ <ใน S 1> แล้ว <ใน S 1> <ล>วันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงจะต้องกราบลาท่านไปสั้นๆพร้อมทั้งลาท่านฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับรายการสัสมนาสนทนานามัสการและสวัสดีค่ะคุณผาน